เป็นวันพระรางเดือนหกหยุดยกพิณที่แกในวันนี้ถ้าหากว่ามันมีอาทิตย์กามายมีตาดงแปดวันนี้จะเป็นวันเสิเส ร, ริมจ้าทกเรงมเสนิทิตกาาตย้ทน้ในวันวิสาขบใช่แต่ว่างหลวงประเดียนหน้าก็ามีแต่วงแาด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 มีทั้งเติมมีทั้งตัดหลายวันละเวลาที่ผ่านมาคนเราก็มีทั้งขาทั้งเติมทั้งเติมต้องตัดแต่เราก็ไม่แยงเราก็ไม่เคยเสยใจในชีวิตปฏิบัติธรรมนี้แต่ขอฝากท่านประตูความคิดกับามหมายที่ท่านเองน่อยท่านทั้งหลายมาเจริัตวรรมดีที่สดแต่คนจะสดดูก็สดหา จะสุดกยอมมแลวต่เพิอกาต้องเกิดขึ้นทางในวันนี้ที่เราได้ตัดการโทษกังวลมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมดูที่สดอนุญาตธรรมต้งเห็นัทธิเนรเห็นพระองค์เจ้าดูเื่องด้วยเห็นอริยบุตดูอริยรก็ด่าสีมหาโพธิ์ต้องกาล เหวี่ยงต้้งตะตูแข่งประพัติาสตร์ให้ครบความคันยุลายัดรูที่สุดตอนปฏิบัติธรรมนั้นใจไรก็หาได้รู้มากว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรแต่ทั้งหลายจ่นหญิงทัางชายที่ท่านตั้งใจมาและขัดอาอันนั่นเช่นบำรงสายที่ลึกจะไม่ประมาทที่ลึกจะเข้าไปถึง กกมุ่งหมายของพระพุทธราสนาะแน่นอนที่สุดขอราะที่ปฏิบัติทำวันวันอุโบสถที่วันนี้เป็นวันที่เราสาราจิตแพท์กขะชื่ททำใจให้ตื่นบานทำให้กระเิมตำลานสักวันหนึ่งจะทำได้เหมนเป็นทั้งหลายเรามาแสวงหาธรรมะธรมากล่าวย้ำมานานแล้วให้ใสาวัดถึงสามยัด วัถุแทนพระท่านมีธรรมะประจำจิตกระจใจวัตถุก็สะอาดจีวุ๊ก็จะปราบจะจะักมลทิพนจะไม่ส้หมองต่อไปตลอดภาพนี้จะชาติหน้าวัติสองวัดอารมณ์เราดูอย่าไปวัดอารมณ์คนอื่นเขาให้มันเสียขึ้นขึ้นอกาในเสียนโอกาะเวลากลั่นขึ้นจะได้แต่ตัวของท่านเอง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 อเมยามไม่สนใจเลยก็ห่างเหินฟ้ากระดุนแน่นอนที่สุดจะไม่พบกันในชาติหน้าต่อไปอันนี้หลักสำคัญพระพุทธเจ้าเระเวยกระชาทุกชาบต่คือประสงคขายกำไรเสมกลับคือบารามือของพระชินสุขกับดาวมาพุทธเจ้าทายจึงหยิงแท้แกุญแจที่น่าวิชาป้าเจริญมากับแม่อรพินเทวีแต่ตอน กูท า, าคู่อมกูอรมกันมาแต่ยื่วสระพลิกให้ฉันได้เหมือนกระเวสะดอนซ้อมปราบราชโกยีมีปัญญาสูงแม่เอ๋ยแม่มัตสีสร้างความดูสงนองก็ อ, องค์ท่านจะองถ้าบาคาละามาละมนด้วยกันนะป่าหิมะพามตลอดมาแทบจะเอาทีไึกคืวาน้ำ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 ะอักเนกธรรมเหตุสรางความดูทุกขะใจกันทุกขาเจกันทุกขะเสียทละกระทั่งก่อช้ารู้แม่ตันหาต้องให้เป็นทางแม่มักคุรก็หาด้วยวาทลูกสองก็ปลองดองกันว่าเที่ยงสำโป ธ, ธิ ญ, ญาอของพ า, าลัสกฤติดาตลอดกระทั่งเป็นนกทรนุยด้วยออกมายัางมีอชัดเจนแล้วขอฝากขาไว้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 เอาแต่ช่างก็มาดูเข้าวัดอารมณ์ตัวเองลอ แ, แล้ววัดฝุ่นที่เล็กจะแข็งสายเราจะได้ด่าตัวเองตลอดไปอย่าไปด่าคนอื่นเขาเลยคนดีเขาไม่ด่ากันหรอกคนดีจะมองค น, นอนแง่ดีถ้าทุกคนเนี่ยมีทั้งดีทั้งชั่วอาตมาด้วยแต่มีทั้งชั่วทั้งดีแต่คนดีมีปัญญาจะมองในแง่ดีเสมอแต่คนเลวเลวหลวอไรมันจะมองค น, นอนแง่ร า, ายเสมอไป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 ผู้ปฏิบัตรทั้งหลายเร า, ามาต้องการแผลงความสุดถ้าจะจิตใจต้องการให้ดีที่จิตใจเดี๋ยวนี้เสียดายเสียใจด้วยปลูกต้นไม้เอาย่อคัาเอารากขื้นมางอกงิดมาสมัยโบาราณพุทธกาลนานมาแล้วปลูกต้นไม้เอารากลงดิ น, ลดนลงลกน้ำพรวนดึนที่ละเดี๋ยวมันก็จะงอกนามออกก อ, อกออกผลที่ใบได จ, จะให้เรารับประทาน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 ปูเก็หายปูเวยก็หายไปนายก็รักผูกสมัครรักใครนจิตใจทั้งท่านเองจะเป็ประโยชน์แก่ท่านมิไช่น้อยขอเกินพรอย่างนั้นบางคนขาดไปแล้วงาที่ดายที่สดดีมุดไม่ได้ดุพคนไม่ได้ถ้าพูดยังใหม่ต่อการปฏิบัติไม่รู้อะไรเลยไงก่อนหน้า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 เทือกจิตไม่เมีเป็นสมาธิไมีเกิดปะการหนึ่งนั่งไม่ถวิธีส อ, องจิตตกกยงวลกังวลงานกังวลอย่างโน้มกังวลดย่งนี้ทํารับรองท่านไม่มีกมาธิหมื่นประเซ็นสามเหนื่อยมากไปทํางามนมาเหนื่อยเยอเกินจิดท่านจะไม่เป็นสมาธิต่อหายเหนื่อยเมื่อยลาตั้งสติไว้ให้ได้ก่อนใจป่วยอาภาษหนัก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 ทำไม่ฝึกมาก่อนฝึกในกันสมาธิมือยเกิดอาการโกรธกำหนดกฎจำไว้ด้วยฝึกไม่สงบมีตาอกาการหนึ่งมีไม่พอต้องยักายอยู่ล่ามไปทำจะไม่มีความสงบในครอบครัวเลยสองใช้เวลาว่างเพลินไปไม่เอางานนอการพวกประเภทนี้พวกจุดว่ามันว่าฝจุดมันก็ไหลได้วย่ิัิกรรม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 ในละจำไว้นะติดไม่สองอบมีอยู่แต่สาการติตไม่เป็นสมาธิมี้เส็จประการนี้เรากำหนเดเจะจำไปตีความคิดเรื่อจริงหรือไม่เขียนวนิญญาณมีผลอะไรมาบ้างเรียกว่าวิญญาณมีผลชีวิตทีวิตจะแล่นแฉนชีวิตก็ไม่มีแปลงแผงชีวิตจะไม่กังง ด, งดดีความดีก็ทําไม่ ด, ม ด, มด่แต่ท่านเองนะมี่อย่าท่านมาเนี่ยต้องเข้าหลักนี้แน่นอนมีอยู้ว่าสมาธิ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 ่านคู่ปฏิบัติการฟังจำเอาไปใช้เกิดจากบานสุดที่ไม่ก็มีตัวหนังสืออ่านคนที่ไม่อ่านนั่นถือมีตัวนั้นคือถนัดมันจะผูกที่มาบอกและกระจดไวมแมงซท้กระจดและจำจ ำ, จำไม่จดไว้แมงทีเนื่อยมากสมาธิไม่เกิดตัวยอาพาธ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 เลยก็มันก็ย้ำเข้ามาฝึกในจิตใจเราตลอดปีกะตลอดเดือนตลอดวันอย่างนับหาได้มีสมาธิจิตภาวนาไหมนี่จะเอาลมมากระทบเข้ากับโดดดิ้นไปเลยกระทบไม่ได้เหมือนอย่างลูกไข่ไข่กไข่ไกกระทบมันก็กองแตกกองเป็นไข่หินกองเป็นไข่หินอดทนอดกลั้นอดออมไปมีไปยอมยอมฝึกมากมา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 ก้อนเนี่ยกังวลตามไว้เลยจุดไม่สงบมีตายข้อจุดไม่เป็นสมาธิมีเจ็ดข้อนี่ได้จกรรมฐ า, านทั้งหมดแตาใครตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องทำเนี่ยไม่ฝึกไว้ก่อนเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตเลยนะขอฝากยากโยมไว้ในที่ประชุมนี้ด้วยอากรรมานึกได้ทํากรรมฐ า, านไปมันจะออกมาไปตูหนังนเลยเนี่ย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 พ่อแม่ทาบุญให้แล้วเจ็ดวันให้แทําบุญร้อยวันแล้วเรียบร้อยแต่อาจามคนนี้เดินทางมาจากสกลนคร น, นะกลัมาฐานที่วันี้ของกางบอกนี่เราสอนเนเนี่ยเดินก็กมนี่งชังมา ไ, ได้ยุยงงจะู้นะเดินอนะ ย, ย่างนอย่างนี้เดินหน่ออย่างน่งนี้แล้วก็นั่งนึ่งชั่มอย่างจำใจขับปืทคือปืไม่ไ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 ตมาจำได้มาเป็เด็กนั้นเนี่ยยังพูดเพื่อเนี่ยโยไปสอนลูกบางทีมันจอดมันจามันจามันจอดถึงใจน้ย่าได้งดมันจอดมันจาไปกัน้าคงุดอบมาหงุดูปมสองเนี่ยพอกมาประถมจบวารได้หมดึงมาิ้งหนังสือพัฒนาคำกรสอนฝึกมารยาทพัฒนามารยาทไทยไทยสอนคงไปเช้่อมมหาวิทยาลัยนี่จำได้ถชา่อมประมสองน่าชื่อด่านมาก อย่างนี้เลยก็อาจารย์คนนี้แผลไม่ตาไม่เชืย่ยใครอย่าไปเชื่อพรามเนาะดูย้อนผู้หญิงเนี่ยตัวทั้งคันนะลาลูกสาวจะมีหัวไปหาพระวันได้เดือนถึงแต่งงานลูกเลยโงอที่สดน่ากลัมาถามดูเมื่อว่ามันมันผิดใจมันเข้ากันได้ไหมเราสเปกเดียวกันไหมใครเกินเดียวกันไหมค่อยเดิงนานกันแค่เดือวนี้แต่งเชา้าเจอเช้าแต่งเย็น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 เอาอยังไงนี่นนกรรมฐานบอกยังทำไม่ได้ไมาถึงขั้นนี้เลยจะทำได้อะไรจะเกิดผลเป็นประตาดาดที่เพศโผล่ลาคือตัวสติอยู่ในชุววันน า, าทาพราทรลับลามเนี่ยคือตัวอะไรไอหานุมานคือติดรับภาษาไม่พักไอทดกานจยั์มันไม่เป็นตัวของมันเอาหู่ใจไปฝากาเพลสีไอเพลศีน้างโง่สีพระรับฝากของชาบา้าน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 ไปหาให้อให้ถ่วยอะไรเปล่าก็หามอดูในตัวเนี่ยครับตื่นเนี่ยมาเป็นปที่เพร่รู้จักไหมปะพูดอย่างนี้โยมจะไม่เข้าใจใช่ัหงเนี่ยทีย่แพรโขาลาหรือว่านาฬยาคต์ตนได้จะยกมาในสา น, น, นามยุทธนาจะได้บอกบอกตัวจุดบอกว่าอะไรว่าไม่ควรยกรกองทัพนี้ไปไปแล้วจะตายก็ตื่บอกว่าชุากระยะไล้ก็ต้องกล่าววันพรงนี้มาเลยนี้นะเนี่ย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 ก็ไม่ดูยังไงอย่างไม่พูดยังไม่ไม่ไมรกระกระแทกเสียงมันจะออกแลยเข้าใจคันนี้ไหมคะโดนบัลดาลของภรรยาที่ไม่มีกังวลกลับมาที่เกิดโดนบัลดาลด้วยเมตตาและอุทิศเงินสดให้สามีถึ ง, ถงคดีก็ปรากฏว่าสามีได้เงินแล้วห่อเพื่อไปตระหารเข้าไปเมืองกัรมบูชาไปตันน้งบริษัทญี่ปุ่นอาุลไทยแล้วก็ทำบูชาก็ุ้่นด้วย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 ห่อให้สามมืออดภัยมือโชคมีอชัยตลอดไปเท่าเงอนเท่าเงนเลยก็เกิดมีปัญญาขนมาเอาเงินห่อสามี่ชั้นใจไอ้กระชุกแล้วก็เอาผักม้างเอาข้าวนมบัางอยู่ข้างนอกเงินดนายัดยัดไป้างขมรหาการเขมรหาไอ้มาทรงไอ้เขก็ไม่รู้ว่าเนียสจังแค่นเลยเงินดนาทั้งนั้นได้หาบมาถึงด่านเขม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 มความรู้พญาโพเขาด้วยมีเหตุผลเกิดขึ้นที่รักนี้ชัดเจนเนี่ยคุณได้การตำราขึ้นมาจิตไม่สงบมีแากจิตไม่เป็นสมาธิมีเจ็ดแลัวเอ๊ะฐานเมื่อจิตไม่สงบเราสมาธิทํายังไงมันก็ไม่เกิดสมาธิแหละเกิดจะวุ่นวายยิ่งนั่งยิ่งวุ่นวายยุ่งนั่งยุ่งวุ่นวายยิี๋เลิกทำให้เบื่อนายจนการนั่งสมาธิทำให้หนืออ่อนจากสมาธิไปเลย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 หลงคือพระวายวันเนี่ยยมรปัดกระจายมาคุณยมเขมอนี่ไงท้าวใต้นี่ยคุยมมาให้แราจะิ้วเนี่ยนะจะมาจะพูดให้ฟังถึงมาจังหวัดสิงราลยนี่ดูมหมายถง ก, กรคปวดศรไปแล้วเรื่องัวนิเียจรินยาตายก็ไม่ขอเล่ามากเวลาจำกัดแล้วเอากะโหลกไส้มาเดินเดินมไปตาก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 อย่างนี้จะไม่ใช่หมายสามีภรร ย, ยาเธอแลวปาก็ได้ไหมแต่เขามาเห ย, ยับพูดอย่างนี้กันไหมได้เขาได้เอาเราจะไยละแล้วเดินออกประตูเดียเดีวยวเดีวยดวยีไม่มี น, นสงสายอยู่ไหนเนี่ยเอาละเราจะบอกเจ้าคาเดียนะเราอยู่ว้พวันทิมุรีไปถามเอาเอยายพ่กงกาหลงเดี๋ยวหายว่าไปกลับตาเลยไม่ยาถีนะากกายาบถีนะเพราะกลายเป็นเพศแล้ะไม่ต้องไปสพนพฤทมาดาได้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 มีนังสือสวดมนต์วาสวาอยู่ในกระเป๋าเขาสวดทุกคืนอย่างพระหุ่มกม า, าเนี่ยเดี๋ยวนี่ยรามาบอกอย่าพระอย่าแจ ก, กให้นางหนังสือแจ ก, กเอาไปชิงนาคุติหมดพวกนี้พวกมามีบุญอย่าให้อย่าไปแจ ก, กถ้าต้องการที่จะให้เอาไปชิงกันเนี่ยตามมาตามทุนทีนี่คนไร้บุญวัฒนะอย่แกกไม่แจ ก, กคุณชาลีอิงพรวิจะมากันเยอะแยาทั้ง พู้ขับกับหนังพวกดารามาเข้ากรรมฐ า, านเยอะในวันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวภรรยาเขาชายเขาจะมานั่งกรรมฐานด้วยอันนี้ก็จะไม่ข อ, อกล่าวชื่อเขาแต่ชาลียังทวิตบอกว่าผู้ชายสิตันในะ่งผู้จายแกนเลือดนานแล้วหมอหมออยู่ให้การก็ดูแลบอกต้องส่งโรงพยาบาลเดียาจะไม่ทนถึงโรงพยาบาลต้องตายแน่ตาย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 อมือตามหัวใจว่าจริง like he ่อพังวาลังสมาดับกูท้องไม่เจ้าเจ้าพนักศโแล้วพรวิชูไม่ตอหายใจหายใจไม่ได้ออพาหูมากาจอบทัพกิว่าว่าพิ่งหายใจล่งเลยนั่งได้ทันทีนม่ชาลีอินทวิจุตเจอที่ไหนถามดูนะนักแต่งเพลงเก่งมากเลยก็พากันดาราทั้งหญิงทั้งชายที่เรีนแห่งชาติมาที่วัดนั่งกรรมฐาน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 ผมจะเก็ดผิดนะหรือทำบุญเก็บผิดก็เอาหนังสือมาให้เก็บจุสองเลยก็ตรวจตรวได้หลวงพ่อเจรานช่วยหลวงพ่อเจรานช่วยก็นดีชอบมากกว่าหลังก็กมานบนทงวิชาธรรมโนศุกร์วิทูว่าเข้มเ่อจหลับตาว่าคนตะคองไปบอกว่าอ่คุณชาลีตั้งตะตู้ไหมชาลีตั้งตะตปามมิดทาไมเอออ่ผมตรวจมอญชนปลดมลเบอร์ใครเบอร์ใคหมอทีกคุนไปบอกให้จะไม่หลอน มาถึงโรงพยาบาลใหญ่ตรวจไปคลุมคาลูอุลัอิจก็บอกอาจจะมาว่าหลวงพ่อเอขอเรียกหลวงพ่อช่วย้วตรวจหาใจไม่ออกหาใจไม่ออกแล้วก็ตรวเย้ามาทุกโซบิชามวเรยเจยาิโยวนังจะมาเนลุ่องเลยหายใจออกเลยนี่น right? ี le à, le à. ่ตรงนี้แล้วบางคนเนี่ยจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาเกื้อเกืนอำช้ำโยมจะหายอย่างไรฮน จะหาได้ยังไงถืกกง อ, อ, อกากระรองพ่อเพื่อแผ่ให้กาให้หน่อยแผ่ก็ไม่ออกก็โยมรับไม่ได้โยมหม้อมัตอรี่หมดไฟแถมเก็บไฟไม่อยู่แล้วเก็บไฟไม่อยู่แล้วในหม้มอหม้อมัตอรี่เสียแล้วช่วยไม่ได้หรขอเจริญพรอย่างนั้นนี่นะอู้ทูมาปฏิบัติธรรมก็มีความหมายอย่างนี้ขอเจริญพรไว้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 แตย่ยอมชอบฟังกับชอบพูดอย่ามาวันนี้เสียเวลาปฏิบัติไม่พูดแต่คุยพูดได้โดยบางอย่างจะไปคุยเท่าความหลังพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เอามาพูดทําไมการจะไจวสิใจยะเบาสิเรื่องใจจะไม่ลือ้อเฟินเดี๋ยวงงวัตถิคุณ่ทชอบทําให้บาง็ีได้ไหมอนาคตไม่แน่นอนอย่าจับไม้ข้ามาตายอมผิดหวังจะเสียใจตลดชิตตรงนี้น่าคิดแต่อทําไมไม่คำกันล่ะใจอะไรอีก เนี่ยดูอย่างคุณทาลีเนี่ยจะบอกวงพ่อทาไม่ได้หงพ่อ้นทายนะหนังถือเนพ่ออยู่ในกระเป๋าผมผมตรวจการเชงก็ดื้อตรวจด้วยบางครั้งการเชงไม่ออกการโดยนี้เลยนะการสดๆเลยนะจะมาทคอมานั่งอยู่ก็มาบอกยอมช่วยแต่งเชงนเพิงแตงทั้งรักทั้งงทั้งน้มในครวงทั้งหูงทั้งหวงแล้วก็ไปยกกุ้งกินายแกันให้เพลินต่งนื้ หลัลหงๆทายาเสียงดีจะร้องให้ฟังร้องให้ฟังนะพระคารีตป็นคนแก่ง น, นั่งแต่งเดี๋ยวนี้เลยไม่พอชั่วโมงได้สองหน้ากระดาษว่าคุณข้าวก็แต่งเพลนด้วยหมลงเือวันพวันมีอะไรมีน้ำยาเน้นตนมื่ะไรึ้นเมือนอร่อยยังไงเปี้ยวหวานนั่นนงเพลน น, นายแต่งไปเพลินได้รมแตงได้ไหมงกรรมฐานข้าวเยอะจะง ในการไปการเพลงเ น, นี่ยการเนื้อหาสาระของตอนให้มีการถามต่อลูกหลานต่อไปแา่อย่างนี้นี่เหตุผลเ ร, รคนนะาคนมานั่งกรรมฐ า, านทำไมเอาไหนจะสู้อิสลามไม่ได้เลยนะอิสลามไม่ฟูดไม่คุยเลยมั น, น, นจึงถือถึงอดคือเราสมุดมือมือมือเรื่องอาหารจับกระวางเรื่องอาหารเรือาาร่องไฟฟ้าถึงเย็นย น, น้ำเทเยอะไม่ตู้นะ โดนจองกองปานงมาพูดจาก็ใครด้วยนี่คืออิสลาได้ผลอย่างนี้พูดก็ได้ถอนก็ไมหมายความว่าเอาอิสลามมาเป็นพุทเลือกมาเป็นคุณพูดเสร็จแตามดัง้องกล่ามมีอคองมือแฉกปแฉเอาคุณเอนับถือกันนะคุณไปเถอะเราไม่ว่ากันเนี้คุณไปอิสลามก็นับถืออิสลามไปนี่ยผมพูดกันนะนับถือพูดไปเป็นพูดก็นัถือพูดไปแต่ลรามือบนอก มือทักมุงตุลาขายแล้วก็ให้สรยังไปใช้ดูถ้ามันคนก็มาขอใหม่ถ้าใช้มาดูถึ่งไปไม่มีปัญหาใดมาดูถึ่งไปขาดในรากมันจะเครียหหลังใครชอบใจมากใครชอบใจมากแต่ขอสรุปใจความโอกาสนี้แพ้อำมรุนาญาโยมเวลาจันทรค่ะแล้กลงปฏิโมกมีมาคอยจะต้องเปิดอฏิบาติธมกันอุด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 เขาเคยทำ ย, ย, าายั ง, าางยไดงดู้เขามั้งพาม้วนรูรูตาการอย่าเอาอำ น, นา จ, ะจะบออาดใหญ่ของเรไปใช้แต่กระอำทู่ท้าสามเล็เรพกฎหมายบอ้งบูนเข้เลี่ยอย่าเอาของตัวมีอำนาจแบบชาตอัตมาไปยุ่งเหรอคะเทศเขาเคารพกฎหมายบั้งนพขาชุกตัดเพื่อถี่ระไปมาไนงะต้องทำอะไรทำด้วยคามเพืออย่างนี้ทำด้ดยวยจุกสงบมันจะได้จะลดทาทาอะไรมันจะได้ไม่ด้วยความถูกต้องแต่เด็กก็ัญหาได้ คำอย่างนี่ไม่ใช่ใครต้องได้ยาโน่นสามวันอธิบายยากันไม่ใช่อย่างนี้ยังทำไม่ได้ฉันจะได้ยาอะไรจะได้อะไรหรือแทบปฏิคอดองวอนท่านยังตัดทางบ้านมาไม่ได้ลัดมาไม่ได้แล้ว